สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่เก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับพระเยซูกับเบทเอลซบูก็ชนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สามครับข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระนะของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จเข้าไป็นเรือนและประชาชนก็มาประชุมกันอีกจนพระเยซู และสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจัดการพระองค์ไว้ด้วยว่าด้วยเขาว่าพระองค์วิกรลจริตแล้วพวกธรรมจารซึ่งได้ลงมาจากเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าผู้นี้มีผีเบเอลเซบู El เข้าเบเอลเซบู Be El นั้นคือชื่อหนึ่งของมาร น, นะครับและที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะ ใช้อํานาจนายผีนั้นฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัดแก่เขาเป็นคําเปรียบว่าซาตานจะขับตัวเองให้ออกอย่างไรได้ถ้าราชนจาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้วราชนจาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกันครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ มีแต่จะสิ้นสูญไปไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ที่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงกับผีที่เมืองคาปโรอุมหัวข้อในเช้าวันนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเบลเอเซบูนั้นความจริง แ, แล้วเบลเอเซบูนั้นเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมารครับหรือบางคนก็แปลว่าเป็นนายของผีทั้งหลายเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงมีอานาจเหนือผีมารสาตาร์ที่ครอบงํามนุษย์อยู่นะครับทรงความสามารถที่จะขับไล่ผีออกและสถานที่ที่ขับไล่ผีในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือที่เมืองคาเปอร์นาอูนั่นเอง เรารู้นะครับว่าทุกวันนี้ฤทธิอํานาจของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมครับพระองค์ทรงกระทําอะไรได้ในอดีตในวันนี้ในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงกระทําได้เช่นเดียวกันพระองค์ทรงเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตปัจจุบันและพระองค์ก็จะทรงเหมือนเดิมและฤทธิอานาจของพระองค์ก็จะทรงเหมือนเดิมในอนาคตต่อไปพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าในอนาคตนั้นจะมีวันหนึ่งครับ ที่พระเยซูจะถูกยกขึ้นสูงสุดและลิ้นทุกเขาจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกลิ้นก็จะยอมรับและสรรเสริญพระองค์ทุกเข่าก็จะคุกเข่าลงกราบพระองค์และยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงการกระทําการอัศจรรย์ในอดีตได้อย่างไรพรงก็ทรงกระทําเช่นเดียวกันในทุกวันนี้ ในพระนะ้ของพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับเปเยซูกับเหล่าสาวกกลับไปยังเรือนและเรือนแห่งเดียวเรือนหรือบ้านนะครับแห่งเดียวที่เปเยซูทรงมีก็คือบ้านหรือเรือนของเปโตในเมืองคาเปอร์อูมนั้นเป็นเมืองที่เปโตได้อาศัยอยู่ครับและเปโตก็ได้ให้บ้านของตนนะครับให้เป็นที่พักของเปเยซูคริส พี่น้องครับหากว่าพระเยซูเสด็จมาหาเรานะครับในรูปแบบต่างๆทุกวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับพระเยซูหรือเปาพระเยซูอาจจะมาในรูปแบบของผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะมาในรูปแบบของมิชชันนารีอาจจะมาในรูปแบบของคนบางคนที่นําข่าประเสริฐมานำพระพรของพระเจ้ามาเราสามารถหรือเราเต็มใจไหม ที่จะเปิดบ้านต้อนรับของเราต้อนตอนรับบ้านของเราต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในมาระโกบทที่สามสิบไม่ขอโทษครับใน ม, มาระโกบทที่สามข้อที่ยี่สิบระบุว่าคนเป็นนั้นมากมาชุมนุมกันคับข้างมากจนพระเยซูกับเหล่าสาวกไม่มีเวลารับประทานอาหารเห็นได้ชัดนะครับว่าพระกิติศัพท์เรื่องลือของพระเยซูและข่าวว่าคนเป็นนั้นมากติดตามพวกนั้นนะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าพระเยซูได้ส่งง่วนกับงานของพระองค์จนการกินอาหารนั้นไม่จําเป็นสําหรับพระองค์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเมื่อเราบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างสําคัญกว่ารอเราทําอยู่หรือเรากําลังทําอยู่เพียงแั่หน้าคิดนะครับเมื่อเราบอกว่าไม่มีเวลาสําหรับรับประทานอาหารพระเยซูไม่มีเวลารับประทานอาหารนะครับแสดงว่าพระเยซู ทรงเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าของพระองค์นั้นสําคัญมากกว่าการกินอาหารครับถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาในการทําบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญเพียงพอเรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากกว่าในวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปโบสถ์เราไม่มีเวลาจะไปเรียนพระวีรศึกษา แสดงว่าการไปโบสถ<ม>การไปเรียนละวีปราศึกษานั้นไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่ท่านจะไปทําอยู่พี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดในข้อนี้บทที่สามข้อที่ยี่สิบนะครับบอกว่าพระกิติศัพท์ของพระองค์ก็แพร่ไปถึงครอบครัวของพระองค์และในข้อที่ยี่สบเอ็ดกล่าวว่าญาติมิตรของพระองค์ก็มาหาพระองค์เพื่อจัดการขพระองค์จากภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นและข้อที่สามสิบเอ็ดก็บอกว่า ผู้ที่มานั้นคือพระมารดาของพระองค์กับน้องชายของพระองค์นั่นเองก็คือบารีนะครับและในมราระโกบทที่หกข้อที่สามเราพบว่าน้องชายของพระองค์มีอยู่สี่คนครับนะครับน้องชายของพระเยซูนั้นมีอยู่สี่คนได้แก่ยากรบโยเซสยูดาสและซีโมนนะในมราระโกบทที่หกข้อที่สามไม่ได้ระบุว่าน้องสาวของพระองค์ มาตามหาพระองค์ในวันนั้นด้วยพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นครับว่าครอบครัวของพระเยซูนั้นได้ยินเรื่องราวของพระเยซูห ล, ลังจากที่อยู่กับพระเยซูมานะครับสามสิบปีด้วยกันน้องของพระองค์ก็อาจจะตามกันมานะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าณเวลานั้นครอบครัวของพระองค์ทราบเป็นอย่างดีว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูออกมารับใช้พระเจ้า เยซูมีพระราชกิจของพระบิดาที่กําลังจะต้องทําพวกเขาก็ได้ให้เป็นกําลังใจพระเยซูครับเมื่อเป็นกําลังใจพระเยซูแล้วก็ต้องออกมาจากนาซาเลตแล้วก็ติดตามพระเยซูเป็นกําลังใจให้กับพระองค์แต่ในขณะเดียวกันครับคนในครอบครัวของพระเยซูไม่เข้าใจครับว่าเหตุใดพระองค์ต้องทนการต่อต้านขัดขวาง จากพวกผู้นำศาสนาอยู่บางทีพวกพี่น้องของพระเยซูและคุณแม่ของพระเยซูนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าพระเยซูทรงละจากนาซาเลตออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนาซาเลตมาเลือกคาเประะอร์นาอูเป็นที่พักที่อาศัยพระเยซูทรงเป็นลูกชายหัวปีนะครับและโยเซ่ก็ได้ฝึกพระเยซูในอาชีพช่างไม้ แต่พระเยซูทรงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดออกเดินทางเพื่อรับใช้พระเจ้าออกเดินทางเทศนาสั่งสอนออกเดินทางปฏิบัติมวลชนครอบครัวของพระองค์อาจจะในเวลานี้มีความสับสนเกี่ยวกับการตัดสินใจของพระองค์ก็ได้ฉะนั้นพวกเขาจึงมาช่วยพระองค์ครับและคิดว่าการพาพระองค์ออกไปจากคาเปอร์นาอุมก็อาจจะช่วยพระองค์ได้อยู่เหมือนกันะนะครับนั่นเป็นความคิดของ คนในครอบครัวพระเยซูครับมัทธิวมาลาโกลูกาก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมัทธิวบทที่สิบสองนะครับก็เล่าว่าขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมาพบกับพระเยซูคนนั้นมีผีเข้าทั้งตาบอดและเป็นใบ้ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูจะต้องเผชิญกับคนผีเข้าครับเราอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่สี่ข้อสามสี่ เรารู้นะครับว่าผีเองนั้นก็ยังรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันทูลชื่อพระองค์ถูกด้วยว่าเยซูแห่งนาซาเร็ส่วนชายผีเข้านะครับคนนี้ก็ดูเหมือนไม่สามารถเห็นพระเยซูได้เพราะเป็นคนตาบอดหรือมีปฏิกิริยาอะไรต่อพระเยซูแต่ฤทิ์อํานาจของพระเยซู น, นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าความพิกลพิการของชายผู้นี้พระเยซูทรงทําการอศัศจรรย์ นะครับโดยการขับผีรักษาเขาให้หายเป็นใบ้หายตาบอดครับปฏิกิยาของคนในวันนั้นนะครับมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกครับก็คือคนก็อัศจรรย์ใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อยากทดลองพระเยซูอยากพิสูจน์นะครับโดยให้พระเยซูขอหมายสําคัญจากทองฟ้าแล้วยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเมสยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่สาม ก็คือเป็นผู้พวกผู้นำคนยิวครับนะเพื่อที่จะกล่าวหาพระเยซูแต่ครับพระเยซูได้บอกกับพวกเขาตอบโต้พวกเขาเขาเกล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูขับผีออกโดยอำนาจของนายผีคือเบดเอลเชบูลนะครับตัวเบดเอลเชบูลนั้นก็คือซาตานนะครับเป็นเจ้าแห่งปีมันทั้งหลายเขาเกล่าวหาพระเยซูว่า พระเยซูเป็นพวกเกี่ยวกับซาตานแต่พี่น้องครับลองหันกลับมาดูนะครับว่าพระเยซูตอบโต้เขาอย่างไรนะครับพระเยซูตอบโตเขาถึงสามประเด็นด้วยกันสามอย่างด้วยกันครับป ร, ประเด็นแรกก็คือเรื่องอะไรซาตานจะขับแย้งกับตัวเองปล่อยให้พระเยซูปลดปล่อยชายผู้นี้จากอานาจควบคุมของซาตานเป็นการทําให้อนาจักรของซาตานแตกแยกครับมันไม่ทำข้อโต้แย้งประการที่สองก็คือว่า คนอื่นๆยังสามารถขับผีได้ก็แล้วพระเยซูหรือจะขับผีไม่ได้เชียวหรือนะครับตั้งแต่สมัยกรรษัตริย์โซลมอนครับผู้นำของชาวยิวก็สามารถขับวิญญาณชั่วออกไปได้ในลูกาบทที่ 19, ส1บเอ็ดข้อสิบเก้าพระเยซูตรัสว่าถ้าเราขับผีออกโดยเบดเอลไซบูนั้นพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าพระเยซูใช้วิธีการย้อนกลับนะครับในเมื่อมีการขับผีช่วยคน พ้นจากวิญ ญ, ญาณชั่วได้พวกเขาขับผีออกโดยสิทเทียิอำนาจของใครกันแน่พระเยซูถามครับประเด็นที่สามครับพระเยซูบอกกับพวกผู้นํำชาวยิวว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อํานาจมีกําลังเหนือกว่าซาตานในมาระโกบทที่สามข้อยีิบเจ็ดที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับพระเยซูทรงใช้ภาพพดเรือนของซาตานซาตานเป็นผู้มีกําลังเรือนของซาตานคืออาณาจักรแห่งความบาปทรัพย์ของซาตานก็คือผู้คนที่ตกเป็นทาสของความบาป พระเยซูตรัสว่าไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและต้นทรัพได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนฉะนั้นในเมื่อพระเยซูสามารถช่วยคนให้พ้นจากอานาจยืนยันชั่วแสดงว่าพระเยซูมีอํานาจมีฤทธิ์อานาจเหนือกว่าครับพี่น้องครับในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีหลายๆด้านในชีวิตครับที่เรายังตกเป็นเครื่องมือ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับตกอยู่ภายใต้การชักนําการจูงใจของมารซาตานในเช้าวันนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะคุกเข่าลงครับและก็บอกกับเปียสูทูลขอพระเยซูว่าขอพระเยซูได้ขับไล่เอาสิ่งต่างนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ดั้งเดิมออกความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับมารซาตานออกกับผีออกกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับความชั่วร้ายออกเพื่อให้ชีวิต ของเราในวันนี้ในการนมัสการพระเจ้าจะเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าหวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน